การแต่งงานการแต่งงานเป็นความจำเป็นอย่างหนึ่งสำหรับมนุษย์เพราะการแต่งงานไม่ใช่จะมีผลเพื่อการสืบพันธุ์เท่านั้นแต่การแต่งงานยังเป็นความจำเป็นสำหรับการพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นอีกด้วยเพราะโดยปกติความรู้สึกที่เป็นความกดดันหรือเป็นความผลักดันที่ทำให้มนุษย์ต้องเกิดมาและทำให้มีกาลังใจที่จะต่อสู้กับอุปสรรคต่าง โดยเฉพาะกําลังใจในะอันที่จะประกอบความดีความชอบเพื่อให้ตัวเองได้หลุดพ้นไปจากความทุกข์ก็มีผลสืบเนื่องมาจากความรู้สึกอันนี้ด้วยความรู้สึกที่เป็นความกดดันนั้นเมื่อพูดตามหลักในพุทธศาสนาก็มีอยู่เพียงสองอย่างคือกามตัณหากับภวะตัณหากามตัณหาหมายถึงความรู้สึกพอใจอยากได้ ในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆซึ่งมีความรู้สึกพอใจหรือความคร้ในเพศตรงกันข้ามเป็นแรงหนุนอยู่ตลอดเวลาส่วนภาวะตัณหาหมายถึงความอยากมีชีวิตอยากมีตัวตนหรืออยากมีนามรูปโปรดสังเกตว่าความอยากทุกอย่างเช่นอยากมีชื่อเสียงอยากมีความปลอดภัยรวมทั้งความรู้สึกในด้านอื่นๆทั้งหมด ที่มีอยู่ในใจของคนทุกๆคนนั้นมีรากฐานไปจากกามตัณหากับภาวะตัณหาทั้งสิ้นส่วนความรู้สึกไม่พอใจไม่อยากได้ความรู้สึกเบื่อหน่ายความเกลียดชังความโกรธความรู้สึกเหล่านี้ก็คือปฏิกิริยาของตัณหาทั้งสองอย่างนี้ในหลักอริยศาสตร์ได้บอกไว้ว่าตัณหาคือต้นเหตุแห่งความทุกข์ การดับตันหาเสียไดคือความพนทุก์ถึงแม้หลักความจริงจะมีอยู่อย่างนี้ก็ตามแต่การที่จะละตันหาต่างๆให้หมดไปได้นานก็เป็นเรื่องที่ต้องค่อยเป็นค่อยไปและจะต้องมีการสนองตันหาด้วยถ้าหากคนไหนไม่มีความฉลาดในการสนองตันหาเช่นปล่อยตัวตามตันหาจนเกินไปหรือไม่ก็บังคับตัวเองจนเกินไป การกระทําทั้งสองอย่างนี้ไม่ได้เป็นผลดีในอันที่จะทําให้ละตันหาเพราะการบังคับตัวเองจนเกินไปซึ่งนอกจากคนส่วนมากจะทําไม่ได้แล้วแม้ในส่วนที่ทําได้ก็จะก่อให้เกิดความกดดันซึ่งเป็นภัยที่ร้ายแรงต่อจิตใจส่วนพวกที่ตามใจตัวเองจนเกินไปจิตใจก็จะตามซามกิเลสหนาแน่นยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้ คนที่จะสนองตันหาหรือจะพยายามละตันหาก็าตามจะต้องกระทำด้วยความรอบคอบกระทำด้วยความฉลาดรู้เท่าทันถึงกิเลสเหล่านี้การแต่งงานเป็นวิธีการอันหนึ่งที่จะช่วยคนเรามีการสนองตันหาในลักษณะที่ถูกต้องและในเวลาเดียวกันนั้นความจำเป็นต่างๆในชีวิตของการแต่งงาน ก็จะเป็นเหตุทำให้คนเราพยายามละเว้นความชั่วและคิดจะสร้างความดีต่างๆขึ้นมาเท่าที่สติปัญญาของแต่ละบุคคลจะอํหนวยให้ถือเป็นหลักตายตัวได้ทีเดียวว่าตราบใดที่จิตใจยังไม่สูงถึงขั้นที่จะรู้จักชีวิตภายในอย่างแจ่มแจ้งยังไม่รู้เรื่องโลกเป็นอย่างดียังไม่สามารถเข้าสมาธิและเจริญวิปัสสนาได้ ยังไม่รู้จักแสวงหาความสุขจากภายในการแต่งงานจะต้องเป็นความจำเป็นอยู่ตราบนั้นส่วนคนที่ผ่านพ้นจากการแต่งงานไปได้คือสามารถอยู่เป็นสวดได้โดยที่จิตไม่ตกต่าคนที่ทำได้อย่างนี้เป็นเพราะเขาได้เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วนับชาติไม่ถ้วนและแต่ละชาติก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้มีความรู้ดีขึ้น และมีคุณธรรมสูงขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งมีพรหมวิหารสี่สมบูรณ์อยู่ในขั้นอปมัญญาคือไม่มีขอบเขตคนประเภทนี้เท่านั้นจึงไม่จําเป็นต้องแต่งงานเพราะหมดความจําเป็นเนื่องจากมีสิ่งชดเชยในเรื่องกามารมณ์อย่างสมบูรณ์อยู่แล้วแต่เป็นเรื่องที่แปลกอยู่อย่างหนึ่งคือปุถุชนทุกคนทั้งทั้ที่รู้สึกว่าเราจะอยู่คนเดียวไม่ได้ เราต้องแต่งงานแต่ถึงกระนั้นก็น้อยคนมากที่จะรู้ว่าทำไมจึงต้องแต่งงานจุดหมายที่แท้จริงของการแต่งงานคืออะไรความรู้ในเรื่องเหล่านี้คนทั่วไปยังมีน้อยมากและพูดได้ทีเดียวว่าเพราะคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจถึงเรื่องการแต่งงานแต่แล้วก็ต้องแต่งงานนี่แหละความยุ่งยากต่าง ซึ่งรวมทั้งสงครามจึงได้เกิดขึ้นถ้าหากคนทั่วไปในโลกจะพึงเข้าใจถึงเรื่องการแต่งงานยังถูกต้องตามความเป็นจริงเหมือนกับที่แพทย์รู้แจ้งว่าร่างกายต้องการอาหารเพื่ออะไรและสารสารอะไรบ้างคือสิ่งที่เรียกว่าอาหารซึ่งเป็นสิ่งที่ร่างกายต้องการจริงๆเราจะเห็นว่าผลแห่งการรู้แจ้งในเรื่องนี้ ได้ทำให้คนเราโดยส่วนรวมมีอนาัยดีขึ้นส่วนในเรื่องการแต่งงานคนทั้งหลายไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบกันแล้วความรู้ในเรื่องการแต่งงานของคนในปัจจุบันก็ไม่ผิดอะไรกับความรู้ในเรื่องอาหารของคนในสมัยก่อนที่การแพทย์ยังไม่เจริญขอได้โปรดจำไว้ว่าการที่สังคมพิการ มีปัญหายุ่งยากต่างๆเกิดขึ้นทั้งในการศึกษาการเศรษฐกิจการปกครองและด้านอื่นๆทั้งหมดรวมทั้งปัญหาในเรื่องการสงครามด้วยสิ่งเหล่านี้คือสัญลักษณ์ที่บอกให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นเพราะคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเรื่องการแต่งงานนั่นเองจุดหมายของการแต่งงานถ้าหากเราพิจารณาดูจากชีวิตของเพื่อและสัตว์โดยทั่วไป เราก็จะเห็นได้ชัดว่าพืชก็ดีสัตว์ทั้งหลายก็ดีจะมีการผสมพันธุ์หรือมีการเกี่ยวข้องในทางเพศก็เพียงชั่วระยะหนึ่งโดยที่มันเองก็ไม่รู้ว่าทําไมมันจึงต้องทําเช่นนั้นทําเพื่ออะไรมันไม่รู้โดยทางสติปัญญาแต่มันรู้ตามความรู้สึกของสัญชาตญาณและความรู้สึกอันนี้ที่บังคับให้มันต้องทําซึ่งมันเองก็ไม่รู้ว่า ความรู้สึกที่เป็นสัญชาตญาณ น, นี้เกิดมาได้อย่างไรและก็ไม่เคยมีความสงสัยไม่เคยคิดถึงปัญหาในเรื่องเหล่านี้เลยชีวิตของสัตว์ดูดูไปก็คล้ายๆกับเครื่องจักรคือมันเป็นไปตามกลไกของสัญชาตญาณมันจะควบคุมหรือบังคับตัวเองให้ทำอะไรตามเหตุผลไม่ได้และเมื่อหันมาพิจารณาถึงเรื่องของมนุษย์เราก็จะพบอีกว่า ในกลุ่มของมนุษย์ที่จิตใจยังไม่เจริญก้าวหน้าจริงๆนั้นจุดหมายของการดำเนินชีวิตจะไม่ผิดไปจากความมุ่งหมายอย่างที่สัตว์โดยทั่วไปมีอยู่เท่าไรนักเช่น เ, เขาจะไม่สงสัยและไม่สนใจว่าทำไมเราจึงต้องเกิดมาทำไมเราจึงต้องมีความใครหรือมีความรู้สึกในทางเพศสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไร ทำไมจึงต้องทำตามอำนาจแห่งความรู้สึกอันนี้ทำเพื่อผลอะไรจะไม่ทำไม่ได้หรือปัญหาต่างๆในทำนองนี้สำหรับคนในระดับนี้จะไม่คิดเลยแต่จะไปคิดเฉพาะแต่ในปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความเป็นอยู่และการสนองความต้องการต่างๆส่วนคนที่จิตใจของเขาก้าวหน้าขึ้นม า, มากแล้วนั้นเขาจะเริ่มสงสัยในความรู้สึกต่างๆของตนเอง สงสัยในปัญหาชีวิตต่างๆขอให้สังเกตว่าคนที่ยังติดบร่อยู่มากนั้นเขาจะไม่สงสัยและจะไม่คิดว่าทำไมเขาจึงต้องสูบบริอย่างนี้เขาไม่คิดแต่เขาจะคิดว่าทำอย่างไรเขาจึงจะหาบร่มาสูบได้ตามความต้องการส่วนคนที่มองเห็นโทษของบร่แล้วเขาจะเริ่มคิดว่าทำไมตัวเองจะต้องสูบ สู่เพื่ออะไรถ้าไม่สู่จะเป็นอย่างไรในทํานองเดียวกันคนที่จิตใจยังอยู่ในระดับธรรมดาเขาจะไม่สงสัยและไม่คิดค้นคว้าหาเหตุผลในเรื่องความรู้สึกของตัวเขาจะคิดก็เฉพาะแต่ว่าทําอย่างไรจรึงจะสนองความต้องการได้เพราะเหตุที่คนทั้งหลายมักจะคิดอยู่แต่วิธีที่จะสนองความต้องการ ไม่เคยคิดถึงที่มาแห่งความรู้สึกต่างๆด้วยเหตุนี้คนทั้งหลายจึงไม่รู้ว่าการแต่งงานมีจุดหมายที่แท้จริงอยู่ที่ตรงไหนอันที่จริงถ้าหากเราเข้าใจเรื่องชีวิตตามความเป็นจริงเช่นรู้ถึงสาเหตุว่าอะไรทำให้เราเกิดมาตายแล้วจะต้องเกิดอีกหรือไม่แต่ถ้าหากไม่มีพื้นความรู้เกี่ยวกับเรื่องชีวิต ดังที่กล่าวมาแล้วย่อมไม่มีทางที่จะรู้ถึงจุดหมายที่แท้จริงของการแต่งงานข้าพเจ้าได้เคยที่บายมาแล้วว่ากามตัญหาเกิดจากความรักและความยึดถือในชีวิตของตนตราบใดที่คนเรายังรักร่างกายยังถือว่าร่างกายเป็นตัวเราหรือเป็นของของเราโดยที่ไม่รู้สึกเลยว่าร่างกายที่เกิดขึ้นมานี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเราจริงๆ เพราะยังมองไม่เห็นถึงชีวิตภายในและมองไม่เห็นวิบากซึ่งเป็นต้นกาเนิดของชีวิตสําหรับคนที่ยังอยู่ในความมืดคือมีความยึดถือตัวตนอย่างเหนียวแน่นโดยความเข้าใจผิดเช่นนี้ความรักความใคร่จะไม่มีทางหมดไปจากสันดานได้เลยแม้จะพยายามกล่อมกล่าวสักเพียงไรก็ตามหรือแม้จะอยู่ห่างไกลจากสิ่งย่้ยาสักเพียงไรก็ตาม ไม่ว่าจะปฏิบัติโดยวิธีไหนก็ไม่มีทางที่จะลา ก, เกิเลสอันนี้ได้ต่อเมื่อใดเรามีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิตและเริ่มรู้สึกว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเราและรู้เป็นอย่างดีว่าแม้ร่างกายจะตายแต่ตัวเราก็ยังอยู่สมบัติภายนอกย่อมเกิดจากสมบัติภายในเวลาตายแม้เราจะทิ้งสมบัติเอาไว้ทั้งหมด ไม่มีอะไรติดตัวไปเลยแต่ก็รู้ว่าในเมื่อเราสะสมทรัพย์ภายในเอาไว้ดีแล้วทรัพย์ภายนอกก็ย่อมจะเกิดขึ้นเองเมื่อเรามีทรัพย์ภายในอยู่กับตัวก็เท่ากับเราพาเอาทรัพย์ภายนอกติดตัวไปด้วยคนที่เข้าใจถึงเรื่องชีวิตอย่างนี้เท่านั้นกามตันหาจึงจะเริ่มคลายตัวออกการปฏิบัติเพื่อการละตัหา จึงจะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ส่วนคนที่ยังก้าวหน้าไม่ถึงขั้นดังกล่าวมาย่อมไม่อยู่ในฐานะที่จะละตันหาได้เลยการที่คนเรามีการมาตันหาก็เพราะความยึดมั่นในเรื่องตัวตนอยากจะมีตัวตนในลักษณะดังที่มีอยู่ตลอดไปโปรดสังเกตว่าความรู้สึกอันนี้เหนียวน่นมากฉะนั้น การแต่งงานซึ่งเกิดจากการมาตัญหาเป็นปัจจัยสำคัญและความมุ่งหมายก็เพื่อการสืบพันธุ์นั้นที่แท้จริงก็คือเพื่อให้ตัวเรายังคงมีอยู่ในโลกตลอดไปนั่นเองเพราะเหตุที่เรารู้เป็นอย่างดีว่าวันหนึ่งเราจะต้องตายร่างกายนี้จะต้องหมดไปแต่ในเมื่อมีลูกมีหลานซึ่งสืบเชื้อสายไปจากเราก็หมายความว่าตัวเรายังอยู่ ซึ่งความเข้าใจแบบนี้จะถือว่าถูกก็ได้เพราะมันเป็นความรู้สึกที่ยอมรับกันทั่วโลกแต่สำหรับผู้ที่ก้าวหน้าในทางวิญญาณหรือรู้จักชีวิตดีขึ้นแล้วย่อมจะมองเห็นว่านั่นเป็นการเข้าใจผิดเพราะตัวเราจริงๆไม่ใช่ร่างกายอันนี้และการที่จะให้ตัวตนยังคงอยู่ตลอดไปความสำคัญไม่ใช่อยู่ที่การสืบพันธุ์ แต่อยู่ที่การสร้างวิบากให้กับตัวเองเพราะถ้าเราสร้างวิบากให้ดีขึ้นโดยลำดับเราก็จะได้ตัวตนที่ดีขึ้นโดยลำดับส่วนลูกหลานซึ่งสืบเชื้อสายไปจากเรานั้นมันไม่ใช่ตัวเราหรือของของเราจริงๆอาจจะมีบางส่วนเท่าน้ําที่คล้ายคลึงกับตัวเราแต่อีกหลายอย่างจะไม่เหมือนกันเลยเพราะแต่ละคนที่เกิดมาต่างก็ได้ทํากรรมมาต่างๆ ซึ่งเหมือนกันบ้างแต่ต่างกันบ้างและแต่ละคนเมื่อตายแล้วก็ไปตามกรรมของตัวเพราะฉะนั้นจึงเป็นความหวังอย่างลมลมแรงแรงที่จะให้ลูกหรือหลานเป็นตัวแทนสืบต่อจากเราส่วนผู้ที่เข้าใจถึงเรื่องชีวิตและมุ่งแต่จะสร้างวิบากที่ดีให้แก่ตัวเองนั้นบุคคลประเภทนี้ต่างหากที่เขาจะไม่ผิดหวังในอันที่จะให้มีตัวตนอยู่ตลอดไป และเป็นตัวตนที่เขาพอใจเพราะเป็นตัวตนที่เขาได้สร้างมันขึ้นมาเองตามความพอใจอันที่จริงการแต่งงานเราควรจะกระทาในเมื่อกิเลสยังมีอยู่และแต่งงานก็เพื่อที่จะให้มีลูกหลานสืบต่อไปเพราะถ้าไม่มีการแต่งงานก็ไม่สามารถที่จะมีใครมาเกิดได้อย่าลืมว่าเราเกิดมาได้ก็เพราะอาศัยการแต่งงานของพ่อแม่ และในเมื่อชีวิตอย่างเรายังหนีโลกมนุษย์ไม่พ้นยังจะต้องอาศัยโลกมนุษย์เป็นที่สร้างความดีเพื่อความหลุดพ้นต่อไปอีกนานมากและคนอื่นๆที่อยู่ในฐานะอย่างเดียวกับเราก็มีอีกมากมายเพราะฉะนั้นเราจึงควรจะได้เผื่อแผ่หรือให้โอกาสสําหรับคนอื่นที่จะมาเกิดในโลกนี้ไม่ควรจะเห็นแก่ตัว ในเมื่อเราเองก็ยังไม่อยู่ในฐานะที่จะหลุดพ้นจากกิเลสอันนี้ไปได้จุดหมายของการแต่งงานนอกจากเพื่อหวังผลในอันที่จะช่วยให้คนได้มาเกิดเพื่อที่จะให้เขาได้มีโอกาสสร้างความดีและเท่ากับเป็นการเพื่องนีที่เรามีต่อพ่อแม่แล้วยังมีวัตถุประสงค์อีกอย่างซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการแต่งงานก็คือ เราจำเป็นที่จะต้องอาศัยการแต่งงานเพื่อการพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นเพราะโดยธรรมดาถ้าเราไม่ได้สนองตัญหาความกดดันในเรื่องนี้จะต้องมีอยู่อย่างมากมายและเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสุขภาพทางจิตซึ่งเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้เคยเขียนมามากแล้วการแต่งงานที่ว่าเป็นการช่วยพัฒนาทางจิตก็เพราะการแต่งงาน ช่วยแก้ปัญหาเรื่องความกดดันในเรื่องกามารม์และในเวลาเดียวกันอาศัยที่เรามีความรักและซื่อสัตย์ต่อกนรและการอย่างลึกซึ้งอันนี้เป็นเหตุให้เราต้องมีความขยันมีความอดทนมีความกล้าหาญมีความเสียสละมีความกตันอยู่และมีคุณธรรมอีกหลายอย่างที่เกิดขึ้นโดยอาศัยความรักที่มีต่อกันและนอกจากนี้ ในเมื่อมีลูกเกิดขึ้นมาแล้วก็จะมีความรักลูกซึ่งเป็นความรักที่รุนแรงยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดและบริสุทธิ์ยิ่งกว่าความรักระหว่างสามีกับภรรยาความรักลูกนี่แหละคือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงที่จะทำให้คุณธรรมเกิดขึ้นในสังดานของมนุษย์ขอให้สังเกตจากพวกสัตว์เดรัจฉานซึ่งโดยธรรมดาพวกสัตว์เดรัจฉานจะไม่มีความเมตตากรุณา จะไม่มีความเสียสละเพื่อผู้อื่นแม้จะเอามาอบรมอย่างไรก็ยากแต่กับลูกเขามันเองมันทำได้โดยไม่ต้องสอนโปรดจาไว้ให้แม่นว่าจุดหมายของการแต่งงานที่แท้จริงนั้นก็เพื่อต้องการอาศัยการแต่งงานเป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่จะช่วยสร้างจิตใจให้สูงขึ้นจนกระทั่งในที่สุด ความเมตตากรุณามมทิตาและอุเบกขาพรหมวิหารทั้งสี่นี้สมบูรณ์เต็มเปี่ยมในจิตใจเพราะคนที่มีคุณธรรมเหล่านี้สมบูรณ์เท่านั้นจึงจะสามารถเอาชนะความทุกข์ได้หมดทุกอย่างคือเหตุการณ์ต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าจะรุนแรงสักขนาดไหนก็ไม่อาจทำให้จิตใจของผู้ที่มีพรหมวิหารสี่สมบูรณ์เกิดความทุกข์ได้ และขอได้โปรดสังเกตอีกว่าแม้เราจะสร้างคุณธรรมอย่างอื่นเช่นความกล้าหาญความอดทนความเฉลียวฉลาดและคุณธรรมอื่นๆให้สูงสักเพียงไรก็ตามแต่ถ้าหากพรมิหารสี่ยังไม่สมบูรณ์คือยังไม่อยู่ในขั้นอปปรมาณ ญ, ญาแล้วก็ไม่มีทางจะพ้นทุกข์ได้และการสร้างคุณธรรมในด้านอื่นนั้น อันที่จริงก็เพื่อเป็นเพียงพื้นฐานให้คุณธรรม4ประการนี้สมบูรณ์นี่แหละคือจุดหมายที่แท้จริงของการแต่งงานและนับว่าเป็นจุดหมายของสัตว์โลกทั้งมวลด้วยคนส่วนมากเกือบจะทั้งโลกไม่ทราบกันจริงๆว่าจุดหมายที่แท้จริงของการแต่งงานอยู่ที่การสร้างคุณธรรม4ี่ประการนี้ให้สมบูรณ์ซึ่งถ้าหาใครเข้าใจก็จะมองเห็นได้ชัดว่า สำหรับคนที่ยังมีกิเลสการแต่งงานเป็นของจำเป็นจริงๆและไม่มีทางหลีกที่จะไม่แต่งงานเพราะว่าการแต่งงานจะทำให้มีลูกเกิดขึ้นและในเมื่อมีลูกแล้วก็จะเกิดความรักลูกความรักลูกนี่แหละคือรากฐานสาคัญที่จะทำให้จิตใจของมนุษย์และสัตว์ทั่วไปเริ่มมีความเมตตากรุณาที่บริสุทธิ์กว่าความเมตตากรุณาอย่างอื่น ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ยังมีความรู้สึกอันนี้เกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องสอนไม่ต้องอบรมแต่มันต่างจากมนุษย์ตรงที่ความรักลูกของมันมีขอบเขตจำกัดมากเช่นพอลูกโตขึ้นมาแล้วจะไม่รักแต่ในขณะที่ลูกยังเล็กอยู่นั้นมันจะทำทุกสิ่งทุกอย่างได้เพื่อลูกของมันเช่นแม่เสือ มันสามารถที่จะไปฆ่าแม่กวางแม้จะยังมีลูกอ่อนอยู่หรือจะไปเอาลูกของมันมาให้ลูกของตนกินก็ทําได้แปลว่าความเห็นแก่ตัวการไม่รู้จักเห็นใจผู้อื่นซึ่งเป็นสัญญาณของสัตว์ก็ยังคงแสดงออกมาอย่างเห็นได้ชัดแต่ถึงกระ น, นั้นกับลูกของมันแล้วมันไม่เห็นแก่ตัวและในเรื่องนี้ยังดีกว่ามนุษย์อยู่อย่างหนึ่ง คือพวกสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายไม่ได้คิดจะมีลูกเพื่อประโยชน์แก่ตัวเองแต่ทั้งนี้ก็เนื่องจากมันโง่สมองของมันจำกัดส่วนมนุษย์ซึ่งฉลาดกว่าสัตว์เดรัจฉานส่วนมากที่คิดจะมีลูกและเลี้ยงลูกอย่างดีก็เพื่อหวังจะพึ่งลูกเพื่อหวังจะให้ลูกเป็นที่เชิดหน้าชูตาถ้าหากว่าลูกคนใดไม่กระตันอยู่หรือทาให้เสื่อมเสียชื่อเสียง พ่อแม่ก็จะมีความโกรธมากหรือเสียใจมากซึ่งอันนี้ก็ออกมาจากลื่นนิสัยเห็นแก่ตัวนั่นเอง